ควรจะผ่านไปให้ได้หรือต้องเจอก่อนถึงจะพบความสุขไม่ใช่หนีมันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้สังเกตนะจากการดำเนินชีวิตประจำวันก็ได้อย่างเด็กๆนี่ก็ต้องยอมเจอความยากลำบากก่อนต้องทำการบ้านต้องขยันเรียนถนะึงจะประสบกับความสุขความเจริญได้ ถ้าเด็กๆนี่เอาแต่หนนะีความยากลําบากการบ้านมันยากก็ไม่เอาหนะลอกเขาหลอกการบ้านกันในการที่จะพบกับความสําเร็จหรือความสุ่ความเจริญก็เป็นไปได้ยากหรืออย่างพวกเราเนี่ยต้องยอมมาใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจจะเป็นความลําบากในความรู้ของหลายคน ทั้งเนื้ออาหารการกินทั้งเรื่องการอยู่การพักนะแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ได้นเนี่ยก็ก็จะพบความสุขได้ไม่ยากนะเป็นความสุขทางใจเพราะว่าได้พบธรรม ะ, ล, ะลองพิจารณาให้ดีนะว่าความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันคือทางผ่านไปสู่ความสุข ต้องผ่านไปได้เก่อนนะถึงจะพบกความสุขที่แท้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเอาแต่หนีมันหรือหลบเลี่ยงมันหรือคิดแต่จะต่อสู้กับมันนันจะไม่มีทางพบกับความสุขที่แท้ได้ความสุขที่แท้นี่เป็นความสุขทางใจนะความสุขที่เกิดขึ้นกับใจ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 ยานะหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยเจอแล้วเนี่ยจึงจะรู้จักแล้วเมื่อรู้จักนะก็สามารถจะผ่านไปได้ถึงความสุขเราเห็นนี้อริยสัจข้อแรกเนี่ยก็คือทุกข์นะมาศึกษาพุทธศาสนาอยากจะพบความสุขก็ต้องเจอ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 สาธยายธรรมจกกักระปวัฒนสูตรเมื่อสักครู่นี่นะทุกนี่เป็นอริยสัจข้อแรกและกิจที่ต้องทํากับอริยสัจข้อนี้นะก็คือการกําหนดรู้นะเราก็เพิ่งได้สาธยายเมื่อสักครู่นี้ว่าอริยสัจคือทุกคือเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้นี่ เือคือรู้จักนะการที่เรารู้จักทุกอย่างแจ่มแจ้งนี่แหละที่จะนําพาไปสู่ความสุขนะคือการพ้นทุกข์ได้หรือว่าอยู่เหนือจากทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะอย่างที่เราสาธัยเมื่อกี้นี่สิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์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 หรือมือนกับว่าเป็นประตูก็ได้ประตูนี่มันจะเป็นจะมองว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะมันขวางไม่ให้เข้าไปในห้องหรือจะมอว่าเ ป, เป็นทางผ่านคือต้องต้องเข้าทางประตูเปิดประตูซะก่อนถึงจะผ่านเข้าไปในห้องได้นั่นแหละคืออุปมาเหมือนกับทุกขันะที่เราต้องต้องต้องเจอ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 นะคือจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าโอมีปัญญารู้จักทุกเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นความรู้ทุกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากสำหรับการที่จะเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพา น, นถ้าเราถ้าเรารู้ทุกข์แล้วนะประตูแห่งความทุกขก็จะเปิดนะเพื่อที่จะ ให้เราผ่านเข้าไปสู่ความสุขได้รู้ทุกหรือว่ากำหนดรู้ในทุกเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะความหมายอย่างแรกคือว่าพอความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะเมื่อมันเกิดขึ้นกับใจก็รู้เมื่อมันเกิดขึ้นกับกายก็รู้มีเวทนามีความปวดมีความเมื่อยก็รู้นะมีความโกรธ มันะมีความเศร้าความเครียดความคับแค้นขุนเคืองก็รู้อันนี้คือความหมายกําหนดรู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่พอมีความปวดความเมื่อยหรือมีเวชนาบี บ, บคั้นนี้มันไม่รู้นะมันเข้าไปเป็นเลยนะเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยในธรรมด์ใ น, นกันเวลามีความโกรธ คามขุนเครืองความเศร้าความเสียใจความเครียดก็ไม่รู้นะแต่เข้าไปเป็นเป็นผู้โกรธผู้ขุน เ, เครืองผู้เศร้าผู้เสียใจผู้เครียดเป็นกับรู้นี่ไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้เป็นเลยนะเป็นบางทีโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธบางทีเครียดก็ยังไม่รู้ว่าเครียดนะ คนที่เครียดเป็นอาเจีนนี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเครียดเวลาโกรธเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโกรธเนะพราะใจมันไปมุ่งหรือส่งจิตออกนอกคือไปมุ่งทําร้ายไปมุ่งตรดจ้องอยู่กับคนที่ทําให้ตัวเองไม่พอใจก็คิดจะสรรหาคําพูดไปด่าเขาหรือว่าคิดหาทางเล่นงานเขา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 ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่เป็นความโกรธความเศร้าความคุณเพื่องความเสียใจความเครียดเกิดขึ้นก็รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจิตเนี่ยถูกยกออกจิตเนี่ยถูกยกออกจากอาการหรือสภาวะเหล่านั้น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 ร้อนเพราะกองไฟนั้นน้อยลงพราะอะไเพราะว่าไม่ได้เป็นมันแล้วไม่เข้าไปเป็นแล้วแต่ว่าแยกออกมารู้ดูอยู่ไกลๆการกําหนดรู้เนี่ยรรมันทําให้เจตเนี่ยถูกแยกออกมาจากผู้เป็นก็เป็นผู้เห็นอันนี้ก็เป็นความหมาย ความหมายแรกเลยนะของการรู้ทุกข์นะหรือที่ใช้คำว่ากาหนดรู้กาหนดนี่เดี๋ยวนี้เราก็ไปเข้าใจไม่ถูกต้องพอกาหนดแล้วนี่อดไม่ได้ที่จะไปเพ่งไปจ้องมันก็เข้าไปเป็นได้เหมือนกันเช่นเวลามีเวทนามีความปวดนี่ก็ไปจ้องมันไปเพ่งมันก็เลยถูกมันดูเข้าไปเลยเหมือนกับดูเข้าไปในวังวน ก็เลยเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเดิมแต่กําหนดรู้นี่หมายถึงว่ารู้ด้วยสตินะมันช่วยทําให้เห็นไม่เข้าไปเป็นรู้ทุกข์ยังมีความหมายต่อไปว่าเออรู้ว่าไอที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นกายทุกข์หรือมันเป็นทุกข์ที่เกิดกับใจไม่ใช่เราทุกข์นะอันนี้ก็คล้ายๆกับความหมายที่พูดเมื่อกี้นี้แต่มันเห็นชัดขึ้นเลยว่าอ๋อ ไอ้ที่ปวดนี่มันเป็นขาปวดกายเมื่อยนะไม่ใช่เราเมื่อยเราปวดไอ้ที่เจ็บนี่มันเจ็บที่แขนนะเจ็บที่หัวนะไม่ใช่เราเจ็บไอ้โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะแต่ว่ามันเป็นเจ็ตที่โกรธจ็ตที่อาลัเจ็ตที่เศร้ามันไม่ใช่เราที่ทุกข์แล้วนะ แต่มันเป็นกายกับใจหรือมันเป็นรูปกับน้มที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ให้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยถ่ายถอนความทุกข์ไปได้เยอะเลยร่างกายยังปวดยังเมื่อยอยู่แต่ว่าใจนี้นะเบาเป็นปกตนะิหรือว่าความโกรธความเศร้าอย่างเสียใจยังมีอยู่แต่ว่าใจนี้ก็ยังนะเป็นปกติได้ มันเห็นทุกได้ละเอียดขึ้นจนรู้ว่ามันไม่ใช่เราทุกนะแต่มันเป็นรูปลำนามกายกระจายที่ทุกและเมื่อรู้ไปอีกละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่าอ๋อไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาเนี่กับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันที่ว่ากายปวดกายเมื่อยแขนปวดแขนเมื่อยจริงๆแล้วเนี่ยกายก็อันนึงเวทนาก็อันหนึ่งหรือว่าที่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 มันเผาลจิตก็จริงแต่ว่ามันอาศัยจิตเป็นที่เกิดแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวจิตนะมันคนละส่วนกันพอเห็นแย่แบบนี้นี่มันก็ทําให้หลุดนะจากความทุกข์ไปได้ถ้าเห็นถ้ารู้ทุกอย่างเนี้ยนะรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็จะก็ทําให้หลุดจากทุกข์ได้ ในความหมายที่ว่าเออความป่วดความเจ็บยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกหรือว่ามีความโกรธความทุกข์อยู่แต่ว่าใจก็ไม่ทุกนะเพราะใจก็เป็นแค่พูดดูเฉยๆอันนี้แหละที่มันจะทําให้เราผ่านไปได้นะแล้วก็เกิดความปกติสุขหรือถ้าเห็นถึงขั้นว่าโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยนะ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 คือถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกอย่างแท้จริงปัญญาก็เกิดความหลงก็หายไปที่เคยยึดติดมันก็ปล่อยเมื่อปล่อยก็ไม่มีอะไรจะทําให้ทุกข์ได้ต่อไปเพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริงมันมีสาเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานหรือตัณหาอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้เนี่ยตัณหาอุปาทานนี่มันก็พี่น้องกันฝาแฝกกันเพราะมีตัณหาจึงเกิดอุปาทานแต่ตัณหาเกิดขึ้นเพราะความหลง ก็เห็ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นยังสามารถให้ความสุขกับเราได้แต่เมื่อรู้ว่าโอ้ทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงรวมทั้งกายและใจก็เป็นทุกข์รูปและนามก็เป็นทุกข์ก็ปล่อยนั่นแหละก็เกิดสุขนะอย่างแท้จริงเรียกว่าสุขเหนือสุขอันนี้แหละที่ถึงบอกว่าทุกข์นี่เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเพื่อทําให้เราได้รู้ชัด ว่าทุก็เป็นอย่างนี้แหละนะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็การปล่อยวางก็เกิดขึ้นนะก็เรียกว่าฉลุยนะเข้าสู่นะสภาวะที่เป็นสุขซึ่งที่จริงมันก็อยู่กับเราอยู่กับต่อหน้าเราแนละ้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าความหลงมันบังตาเมื่อเข้าใจเช่นนี้เนี่ยก็อย่าไปอย่าไปลังเกียจทุกข์อย่าไป อย่าไปปฏิเสธหรือผลักไสทุกข์นะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องผ่านแลาจะผ่านได้นะก็เพราะรู้นะรู้ชัดว่าทุกข์นี่คืออะไระหรือว่ารู้ว่าสิ่งที่ทุกข์นั่นคือกายและใจที่มันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์รวมทั้งเห็นไปกระทั่งว่าโอทุกสิ่งเลยเป็นทุกข์นะอันนี้แหละ คือควความหมายว่ากาหนดรู้หรือว่าการรู้ทุกขนะ์ะฉอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปปฏิเสธความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักให้ชัดเราถึงจะผ่านมันไปได้อันนี้มันก็เหมือนกับคนที่กลัวความมืดนะกลัวความมืดกลัวอยู่คนเดียว แล้ถ้าตาแบบที่ยังกลัวและคิดแต่จะหนีความมืดหนีสภาวะที่ต้องอยู่คนเดียวก็จะไม่มีทางผ่านไปได้เลยผู้เจ้าบอกว่ากลัวอะไรต้องไปเจอกับสิ่งนั้นกลัวป่าก็ต้องไปอยู่ในป่ากลัวความมืดก็ต้องอยู่กับความมืดนะอยู่ กลัวในเอเรียบทใดในเอเรียบทยืนเดินนั่งนอนก็ต้องอยู่ในเอเรียบทนั้นไม่ใช่หนีแต่เข้าไ ป, ปเผชิญเมื่อเข้าไ ป, ปเผชิญแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วก็จะผ่านไปได้ผ่านไปได้รู้จักพราะเมื่อเข้าไปเจอสิ่งนั้ น, นก็จะรู้ใช้มันไม่ีอะไรที่น่ากลัวป่าก็ไม่น่ากลัวความมืดก็ไม่น่ากลัวการอยู่คนเดียวก็ไม่น่ากลัว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 เจอแบบคนที่ไม่รู้หรือเจอแบบคนที่รู้เนะื่องเช่นความแก่ความเจ็บป่วยความพัดพรากสูญเสียและความตายนี่อันนี้คือความจริงสระการที่ไม่มีใครหนีพ้นะต้องเจอวันอย่างคำ่ำนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยนะเจอแบบไม่ใช่ด้วยความอาการที่หลงนะ แต่เจออย่างมีสติเจออย่างมีปัญญาไม่เพียงแต่จะผ่านเท่านั้นนะแต่ว่ากลับได้ประโยชน์จากมันด้วยแต่ว่าไปแล้วนี่การที่คนเราจะเข้าถึกสุยธาจริงก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้แหละเจอแล้วแทนที่จะทุกข์หรือว่าแทนที่จะเสียสูญหมดสภาพไปเพราะมันแต่ว่ากลับได้ประโยชน์จากมัน ในสายพุทธการหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องรล่าถึงผ้าหันจนวไม่น้อยนะที่ชีบรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกข์อย่างสาหั ส, สกันอย่างนางกีสาโกตมีก็เสียลูกที่ยังน่ารักยังเล็กนางป ต, ปรตจราก็เสียทั้งสามีเทียทั้งลูกสองคนเสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทรัพสมบัติมรดกทั้งหลายของพ่อแม่ จงกระทั่งเกือบจะเป็นบ้าแต่ว่ามันกลับกลายเป็นของดีเพราะพอพระเจ้าชี้ให้เห็นว่าโอ้สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เธอก็หลุดเลยนะหลุดจากทุกข์เลยเพราะได้เห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งจากประสบการณ์ที่ได้พบด้วยตัวเองว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะมันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้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 รู้สึกสบายเนะื้อสบายตัวขึ้นแต่ว่าทุกขเวทนาก็ยังบีบคั้นอยู่พเพราะพระองค์พูดเป็นคติเตือนใจไม่กี่ประโยคปฏิสะก็บรุธรรมเลยเป็นพระอรหรันต์เพราะเห็นอย่างแจ่มแจ้งแลง้วโอมเป็นทุกข์เหลือเกินสังขารนี้เนั้นต้องเจอทุกข์นะถึงจะพบธรรมและเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงได้ ตราบใดที่ยังหนีทุกขนะ์ก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปต่อเมื่อหันหน้ามาเผชิญกับทุกข์นะหรือว่าเดินเข้าหามันนะไม่ใช่หนีมันเดินเข้าหาเผชิญเพื่อที่จะรู้จักมันอย่างแจ่มแจ้งนะก็จะทำให้เกิดปัญญาทุกข์ก็จะกลายเป็นทางผ่านให้เราได้เข้าถึงความสุขได้ เพราะฉั้ใครที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้นะก็อย่าไปคร่ําครวญ น, นะอย่าไปคร่ําครวนแต่ว่าให้ใคร์ครวนให้ใคร์ครวนจนเห็นความจริงแล้วก็จะผ่านความทุกข์ไปสู่ความสุขได้มีความเจ็บความปวดมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็อย่าคร่ําครวนให้ใคร์ครวญอย่างที่ท่านอาจารย์ผ้ท่าบอกว่าเนี่ยทุกมาเตือนให้เราฉลาดความเจ็บปวดมาเตือนให้เราฉลาด วุ่ยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกทีก็คือมีปัญญาเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยมันเป็นมันทุกเพราะความยึดถือความยึดติดถือมั่นถ้ายังยึดติดถือมั่นก็ไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะหนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะจะมีแต่ความผิดหวังแต่พอคลายความยึดติดถือมั่นได้มันก็ผ่านไปสู่ความสุข เราจะเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะเจอทุกข์นะเจอทุกข์ด้วยตัวเองยั่งจะเข้าถึงความสุขได้ก็ต้องพร้อมที่จะเจอทุกข์หรือว่าต้อนรับความทุกข์หลวงพ่ อ, นนพอเขียนท่านพูดหลายครั้งว่าในทุกมีความไม่ทุกข์อยู่ เมื่อเราทุกข์นี่เราลองมองเราใคร่ควรดีๆก็จะพบทางสู่ความไม่ทุกข์นะมันมีกุญแจที่ซุกซ่อนอยู่ในความทุกข์ที่เราถ้าเราหาเจอก็จะผ่านไปสู่ความสุขได้ประตูเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวทั้งทางขวางเป็นตัวขวาง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 สวิต ท, ที่เปิดไฟให้แสงสว่างกับสวิต ท, ที่ปิดจนเลยแต่ความมืดก็คือสวิตเดียวกันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าสวิต ท, ที่ปิดไฟอันนึงสวิต ท, ที่เปิดไฟอันหนึ่งไม่ใช่อยากจะไ ด, ได้ได้รับแสงสว่างเกิดแสงสว่างก็ต้องไฟที่สวิต ท, ที่มันปิดให้เกิดความมืดนั่นแหละฉะนั้นทุกข์กับความไม่ทุกข์มันยังอยู่ด้วยกันนะถ้าเราหนีทุก แล้วมันจะพบกับความไม่ทุกข์ได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักที่นักปฏิบัติต้องต้องจับให้ได้เราจะได้พร้อมที่จะเ็าจะได้ไม่รังเกียจมันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากภายนอกนะเช่น ความพัดพลาดสูญเสียพราอมีคนมาขโมยไปเพราะมีภัยพิบัติมาทําลายสิ่งที่เรารักคนที่เรารักนะหรือว่าโรภาคภัยไข้เจ็บที่ทําให้เจ็บป่วยแก่ชราแม้ก็ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะเช่นความเครียดความโกรธความเบือ่อความเซ็งนะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในใจ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 อันนั่นแหละที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะผ่านการปฏิบัติไปได้และยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทําก็ยิ่งเครียดจนเกิดความท้ อ, อที่ทําแล้วเครียดทําแล้วทุกข์นี้ก็เพราะว่าวางใจไม่เป็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไปมองว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ต้องขัดที่ต้องกําจัดนะก็เลยพยายามไปกดข่มมัน หรือไม่ก็พยายามหนีมันถ้าเราเปลี่ยนท่าทีสมัยนะมอง่มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆก็รู้มันทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ความทุกข์ใจเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องรู้มันรู้แล้วมันก็จะผ่านไปได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาแล้วก็ไปนะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมัน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 มันก็ไม่ยอมทำตามนะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยเ็อถ้าเรานะมองลองปรับท่าทีสมัยว่าทุกข์นี่มันไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะแต่มันเป็นแค่ทางผ่านนะเราต้องผ่านมันให้ได้ไม่ใช่หนีมันต้องเจอแล้วก็ผ่านผ่านด้วยการกำหนดรู้นะ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 ทลายหินก้อนนี้ให้ได้นะแต่ที่จริงมันมีรหัสนะอย่างในหนังในในนิยายเรื่องอัลิลีบาบาเนี่เขาเพียงแต่แค่เปร่งรหัสนะประตูถ้ำมันก็เปิดแล้วก็เจอคุมทรัพย์นะแต่ว่ารหัสนี่มันไม่ใช่ว่าจะหาได้ไง่ายๆมันต้องมันต้อง ต้องใช้ความเพียรพยายามแต่พอรู้รหัสแล้วนะมันก็ผ่านไปได้ง่ายๆความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะมันมีรหัสที่จะทําให้เราผ่านความทุกข์ไปได้ น, นั้นคือการมีปัญญานะเห็นมีปัญญาที่ช่วยทําให้รู้จักมันอย่างแท้จริงนะเมื่อเรามีปัญญารู้จักมันอย่างแจ่มชัดนะ ในสุดก็จะผ่านนะไปถึงความสุขความแก่ความเจ็บความป่วยยังมีอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วนะความพัดผ่าสูญเสียก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเป็นธรรมดาโลกนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ลยเพราะอะไรเพราะาเราได้เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเรามีปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถจะ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 มันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในความทุกข์นั่นแหละหลวงพ่อกำเเงเขียนมาบอกว่าในทุกมีความไม่ทุกข์อยู่เราต้องหาให้เจอแล้วเมื่อเจอแล้วก็จะได้ประโยชน์จากมันเป็นอย่างยิ่งอ๋อแล้ชวช้นี้ก็พูดกันเท่านี้รขบพระ